ตอนนี้ไปก็เกี่ยวกับเรื่องธรรมะปฏิบัติชีวิตของคนเรานี่เป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงแต่ว่ามันจะตายวันไหนไม่มีใครมาบอกข่าวให้ทราบดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงตักเตือนพุทธบริษัททางหลายให้เตรียมตัวไว้เสมอ บุคคลผู้ไม่เตรียมตัวไว้เสมอนั้นทรงถือว่าเป็นผู้ประมาทในชีวิตเพราะคนที่ไม่เตรียมตัวไว้เสมอนี่มันก็ปล่อยให้กิเลยเขาครอบงำจิตใจทำให้ลืมบุญกุศลทำให้ลืมความดีไปคันเผื่อว่าไปตายลงในขนาดนั้นแล้วก็ขาดทุนนะ่ะตายลงในขนาที่จิตใจเป็นอกุศล จิตใจไม่ได้ตั้งอยู่ในกุศลธรรมเพราะว่าความตายมันไม่แน่นอนอย่างว่านั้นบางทีมันไม่ทันได้รักษาเยียวยาอะไรกันสักหน่อยเกิดหัวใจวายขึ้นภายในชั่วโมงนั้นเขาไปเลยหรือไม่ถึงชั่วโมงซะมานี่เลยมีอยู่เยอะแยะดังนั้นให้พากันเตรียมตัวไว้เสมอเสมอ เตรียมใจของตนไว้ว่าใจของตนเป็นอยู่อะไรในขณะนี้มันรู้แจ้งในขันห้านีอยู่หรื อ, อยังมันปรงมันวางขันห้านี่อยู่เสมอหรือว่าไงหรือมันสำคัญว่าขันห้านี่เป็นตัวเป็นตนอยู่อย่างนั้นเหรออันนี้นะ เราจะต้องนำฤทิตรีตองอยู่เสมอเสมออืเตรียมตัวไว้เพราะว่าจิตนี่มันหลงไปยึดขันหานี่หลงไว้จริงๆ น, นั่นไงการที่เข้าไปยึดขันหานี่แหละมันเป็นภัยอย่างร้ายแรงมันทําให้กิเลสตัณหาบาปประธรมต่างๆนั้นมีกําลังกล้าขึ้น ถ้าผู้ใดฝึกจิตสอนจิตของตนปล่อยวางขันหานี้อยู่เรื่อยไปมันก็ทำให้กิเลสตัณหาบาปประธรรมนี่อ่อนกำลังลงไปเรื่อยๆมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่ากิเลสตัณหาบาปประธรรมก็ใจนี่เป็นผู้สร้างขึ้นไม่ใช่ว่ามันเกิดมาเองของมันนะมันเกิดเองมันไม่ได้กิเลสตัณหาบาปประธรรมต่างๆเนี่ย ใจนี่สร้างมันขึ้นมาต้องเข้าใจอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อบคุคคลใดมาสำรวมใจนี่อยู่เสมอเสมอมีสติสัมปชัญญะคอยระมัดระวังความคิดความนึกความรู้สึกต่างๆนี่นะต้องมีสติกำหนดรู้ไปทุกระยะระยะไปรู้อย่างไรรู้ว่าความคิดความนึกต่าง ๆ, างๆวงนี้เกิดขึ้นแล้วดับไป ไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีอะไรเป็นสั ญ, ญลักษ์บอกว่าความคิดนัน ม, นมีรูปร่างอย่างนั้นเป็นตัวเป็นตนอย่างนี้ไม่มีแต่ถ้าบุคคลไม่เพ่งพิจารณาดูให้ถี่ถ้วนแล้วมันคล้ายๆกับมันมีตัวจริงๆความคิดอ น, นั้นเพราะเหตุนั้นมันถึงได้ดิ้นรนไปตามความคิดนั่นแหละคนเรานี่มนะ แต่ถ้าเพ่งดูด้วยสมาธิด้วยปัญญาจริงๆแล้วนั้นไม่มีไม่มีแกนสารไม่มีอะไรเป็นเป็นสิ่งที่เราจะต้องหมุนไปตามเพราะามันเห็นเส้นความคิดอย่างนี้นะมันเกิดขึ้นแล้วดับไปเกิดขึ้นแล้วในขนานั้นก็ดับไปในขนานั้นแหละไม่ใช่มันจะยืดเยื้อไปนะแต่ว่าใจนี่สิฮะไป ยินดียินร้ายกับความคิดนั้นแล้วมันเลยเกิดเป็นภาพต่างๆขึ้นมาตามจินตนาการของจิตที่มันคิดมันปรุงขึ้นมานั่นนะทีนี้ถ้าว่าจิตคิดอะไรขึ้นมาแล้วมันกําหนดรู้เท่าความคิดตัวเองเห็นว่ามันไม่มีตัวตนไม่มีแกนสารอะไรมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปกําหนดรู้ตามอย่างนี้เรื่อยไปมันก็ไม่มี ภาพอะไรที่จะมาหลอกหลอนจิตเพราะว่าจิตไม่ปรุงไม่แต่งมันมันมันเห็นแต่มันเกิดแล้วมันดับไปเฉยนะมันไม่มีเรื่องอะไรจะมาปรุงแต่งให้เกิดเป็นดีเป็นชั่วเป็นบาปเป็นกรรมอะไรขึ้นมาออหรือว่าให้เป็นความรักความชังขึ้นมาไม่มีแต่ที่มันมันปรุงแต่งขึ้นให้เกิดเป็นความรักความชังนั้นก็เพราะมันคิดขึ้นมาแล้วโดยสําคัญความคิดเราเป็นตัวเป็นตน ขึ้นมามันถึงได้เกิดความรักความชังคืนอันนี้สำคัญมากทีเดียวเพราะฉะนั้นในสติปัฏฐานธรรมทั้งสี่พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้หัดระลึกเข้าไปให้มันลึกให้มันละเอียดเข้าไปโดยลาดับนั่นแหละที่แรกก็ระลึกยาหยาบไปก่อนเช่นระยึกระลึกตามอริยบท ยืนเดินนั่งนอนกินดื่มพูดจาอะไรก็ให้มีสติรละลึกได้สัมปชัญญะรู้ตัวว่าตนทำอะไรอยู่ตนพูดอะไรอยู่ตนเดินไปยืนอยู่นั่งลงนอนลงอะไรแบอนี้นะกำหนดรู้อิทยิยบทอันนี้ไปเรื่อยๆบัดนี้ขั้นที่หนึ่งนะอันนี้นะขั้นที่สองบัดนี้ขั้นที่สองนี่ก็กำหนดเข้าไปภายในร่างกายกว่ น, นี้ ระลึกเข้าไปภายในร่างกายไปเพ่งร่างกายอันนี้จนเกิดอุขหานิมิตขึ้นมานั่นแหละอุขหานิมิตคืออะไรคือนิมิตติดตาเมื่อเพ่งเข้าไปแล้วก็จะเห็นอวัยวะน้อยใหญ่ต่างๆก็จะเห็นน้ำเลือดน้ำเลือดน้ำน้องเห็นอะไรทออะไรอยู่ภายในร่างกายอันนี้นะ นั่นเลยรวมความแล้วก็เลยว่าจะเห็นอสุภะกรรมฐานขึ้นมาเพราะภายในอวัยวะภายในเนี่ย เ, เราจะเห็นได้อย่างอวัยวะภายในของวัวควายช้างม้าอะไรพวกนั้นนะนั่นเนี่ยเขาทําแหลกออกไปแล้วออไส้กับกองนึงอ่อตับกับกองนึงไตกับกองนึงอย่างนี้นะปอดก็เป็นอีกกองหนึง่ง แล้วก็มีน้ำเลือดน้ำเหลืองไหลออกไปไม่มีอะไรสะอาดสักหน่วยเดียวเอาวิวะน้อยใหญ่ของสัตว์เหล่านั้นก็ดีแม่ของคนก็ไม่แปลกกันเลยกับสัตว์นี่เนยมันก็อันเดียวกันนั่นแหละต่างแต่หยาบแต่ละเอียดกันเท่านั้นเองเนี่ย <c oughs> ดังนั้นเน่ยสตินี่มันต้องระลึกเข้าไป ดูอวัยวะร่างกายต่างๆอันนี้ให้มันเห็นให้มันเป็นภาพปรากฏขึ้นในใจนั่นนะอืมใจนั้นมันจะได้มองเห็นว่าเอออวัยวะร่างกายต่างๆวันี้ไม่มีอะไรสวยงามไม่มีอะไรเป็นแก่นเป็นสารสักอย่างเดียวเลยอย่างงี้นี่มันจะเป็นเหนี่ยได้คล้ายความยินดีพอใจในรูปในกายอันนี้ออกไปเปาะเนื้อเนี่ยนี่แหละ เอาสติตรงนี้มันแก่กล้าพอสมควรแล้วอย่างนี้ก็สติระลึกเพ่งอัตภาพร่างกายอันนี้กะจะจายออกไปให้มันเป็นธาตุมา น, นี่นะนนเ้เป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุาตลมเป็นอากาศสัธาตุเป็นวิญญาณธาตุวิญญาณธาตุคือความรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิน้นทางกายทางใจมนี้ ความรู้ต่างๆโมนี่เป็นสภาวาธาามเป็นธาตุอันนึงไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนอะไรช่องหูช่องจมูกช่องปากเป็นต้นอันนี้ท่านเรียกว่าอากาศธาตุคือช่องว่างที่มีอยู่ในกายมันก็มีแต่สภาวาธาาุมีแต่ธาตุหกเท่านี้แหละแล้วธาตุอื่นที่ละเอียดไปกว่านี้ก็หักมีอยู่หรอก แต่ว่าธาตุที่ส่วนหยาบอันนี้เห็นได้ง่ายมันก็มีอยู่หกเท่านี้เองเ น, นั่นแหละสตินี่มันจะต้องระลึกกาหนดรู้กายอันนี้ให้ให้เป็นสภาวะธาตุไปกว่านี้นะนั่นเนี่ยเมื่อมันเพ่งเห็นสภาวะธาตุแจมแจ้งลงไปแล้วมันก็มันก็รู้ชัดเลยว่าตัวตนไม่มีเราเขาไม่มีมีก็มีโดยสมมุติฐานะ สมมติว่ากันเอาเฉยๆแต่เมื่อจิตวิญญาณออกจากร่างอันนี้ไปแล้วไม่เห็นมีอะไรแบบนี้นั่นแหละมันก็กลายเป็นแต่เพียงธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมไปเท่านั้นหาเขาหาเราไม่พบแล้วไม่มีนี่นะการเจริญสติปัฏฐา น, นสี่เนี่ยเราเจริญเป็นขั้นเป็นตอนไปจนไปถึงสภาวะธาตงุง และจนไปถึงสภาวาธรรมบ่ด้ธรรมอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจดีบ้างชั่วบ้างไม่ดีไม่ชั่วบ้างหมู่เนีย่ยธรรมที่ดีที่เป็นกุศลก็มีเยอะแยอะอธรรมที่เป็นกุศลนี่เช่นอย่างความไม่โลภความไม่โกรธความไม่หลง โมนีมันมันก็ร่วนแต่เป็นธรรมที่เป็นกุศลทั้งนั้นเลยอ่ น, นั่นแธรรมที่เป็นอกุศลกับความโลภความโกรธความหลงสามประการนี้เป็นอกุศลออันนี้เมื่อแจกกุศลนี่ออกไปแจกอกุศลนี่ออกไปมันหลายทีนี่นะกิริยาอาการของกุศลนั้นมันมีมากมายเหมือนกันกิริยาอาการของบาปอากุศลก็มีเยอะแยะแต่รวมความแล้วเรียกว่า มันเป็นธรรมรมรรคมั้งนั่นเลยในส่วนที่เป็นกุศลก็ดีเป็นอกุศลก็ดีเป็นอภัยยากฤิตไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปก็ดีโมนี่ก็รวมเรียกว่าสังขารธรรมสังขารธรรมทั้งหลายเหล่านี้ล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงเกิดแล้วดับไปทั้งที่ส่วนที่เป็นบุญก็ตามเป็นบาปก็ช่างไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปก็ตาม ถ้าหากว่าย่นลงสั้นๆอีกก็เรียกว่านามธรรมานั่นเองเนี่ยบรรดาธรรมทั้งหลายที่เป็นกุศลหรืออกุศลหรืออภัภยากตะตาธรรมมนี่ไม่มีรูปไม่มีร่างอะไรไม่มีสีสันวันน่ะอะไรนี้นะนี่แหะในสติปัฏฐานเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เจริญธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นอารมณ์ ก็เพียงพิจารณาธรรมที่เป็นกุศลเป็นอกุศลธรรมที่ไม่ใช่บาปไม่ใช่บุญมุนี้ล้วนแต่สักแต่วะธรรมไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอันนี้มันเป็นขั้นละเอียดเข้าไปแล้วมแม้แต่ธรรมที่เป็นกุศลก็ทรงสอนไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นนู่นไม่เฉพาะแต่จะปล่อยวางธรรมที่เป็นอกุศลอย่างเดียว แม้ทําที่เป็นกุศลก็ไม่ให้ยึดถือพ่อยึดถือไว้ได้มันก็ไม่เป็นแก่นเป็นสารมันก็มีเกิดมีดับไปอยู่อย่างนั้นมันไม่มีอะไรที่จะยั่งยืนอยู่ได้ไอ้ที่เราบําเพ็ญบุญกุศลให้เกิดมีขึ้นนี่เพื่อชําระอกุศลให้หมดไปสิ้นไป เมื่ออากุศลดับไปกุศลก็ดับไปตามกันเหมือนอย่างยาบำบัดโรคไข้ขเจ็บในร่างกายคนเราเมื่อรับทานยาเข้าไปยามันไปทำหน้าที่ขจัดโรคออกไปจากร่างกายอันนี้เมื่อโรคนี้ระงับไปยาก็หมดอายุไปตามกันเป็นอย่างนั้นหมดอายุไปตามกันแลยยาเนนะ่ะ อันนี้ชั้นใดก็เหมือนกันเนี่ยทำที่เป็นกุศลเส่นกล่าวโดยโรวบยอดว่ามักมีองค์แปดประการหรือศีนสมาธิปัญญานี่น ะ, ะเมื่อบำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นแล้วมันก็ทําหน้าที่ของศีนสมาธิปัญญาเองเนี่ยคือทําหน้าที่ขจัดกิเลสความโลภความโกรธความหลงมานะทิติอิจฉาพยาบาทอะไรต่ออะไรนะ ให้ระ ง, งับดับไปจา ก, กจิตใจนี่มันนะแล้วเมื่อคิเลสเหล่านั้นระงับไปศีลสมาธิปัญญาโมนีมันก็ระ ง, งับไปตามกัน เ, เมื่อมันระ ง, งับไปแล้วจะไปอาศัยอะไรแล้วบะนี้ก็ทําเหล่านี้พระพุทธเจ้าตราัสขึ้นเมื่อมันหมดเหตุปัจจัยมันลวมันก็ดับไปเมื่ออริยมรรคทำหน้าที่ขจัดกิเลสปัญหา ให้เรางับดับลงไปแล้วมันก็ยังเหลือโยอธรรมเป็นธรรมอันไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยปรุงแต่งนั่นเรียกว่าท่านเรียกว่าอาสังคัธรรมนั่นแหละอสังคธธรรมนี่เป็นธรรมไม่เคลื่อนไหวไม่มีโยกย้ายไม่มีเกิดไม่มีดับนั่นแหละเมื่อธรรมที่มีเหตุปัจจัยเหล่านั้นดับไปหมดแล้ว มันก็ยังเหลืออยู่ที่อสังคต ธ, ธ, ธ, ธรรมนั่นเ่ยอสังคตธรรมนี่ถ้าว่าโดยสมมุติให้เข้าใจกันง่ายๆมันก็ได้แก่ดวงกิจที่ละกิเลสแล้วมันตั้งมั่นอยู่โดยลําพังไม่ได้อิงอาศัยธาตุสี่ขันห้าอะไรเนี่ยมันตั้งอยู่โดยลําพังเลยเพราะฉะนั้นเมื่อธาตุสี่ขันห้ามันวิบัติแปรปรวนไป จิตนี้มันถึงไม่ได้แปรปรวนไปตามเพราะมันไม่ได้อาศัยยึดมั่นอยู่ในธาตุสี่ขันธ์ห้าอันนั้นเหตุนั้นมันถึงไม่ได้แปรปรวนไปตามจิตดวงใดที่ยึดมั่นถือมั่นในธาตุสี่ขันธ์ห้าว่าเป็นตัวเป็นตอนอยู่ด้วยความยินดียินร้ายอย่างนี้นะพอธาตุสี่ขันธ์ห้านั้นมันวิบัติแปรปรวนไปจิตนี้มันก็แปรไปตามวันไว้ไปตาม อ, อก็เป็นทุกข์ไปตาม นั่นเรียกว่าเป็นทุกข์ทั้งร่างกายเป็นทุกข์ทั้งจิตใจด้วยอืเ <c oughs> <c oughs> ช่นนี้แหละการบําเพ็ญทางจิตใจนี่จึงชื่อว่าเป็นสิ่งที่ควรอกระทาบําเพ็ญให้เป็นไปแท้ๆเพราะถ้าบุคคลได้มาไม่ฝึกจิตใจตัวเองนี่แล้วมันก็จมอยู่ในห้วงแห่งกองทุกนี่แหละ นี้จากทุกไม่ได้เลยออก็เป็นอยู่อย่างที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันนี่แหละบางทีมันก็อาจได้สวยทุกยิ่งไปกว่านี้อีกเมื่อเกิดความประมาทไปทําบาปอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นเนี่ยอมันจะต้องได้ไปสวยทุกอยู่ในอบายภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นต้นหไม่ใช่ว่ามันจะได้เป็นทุกอยู่เพียงเท่านี้นะบุคคลผู้ประมาท มันเป็นอย่า ง, น, ง น, นะนั้นเลื่อมานะทีนี้ผู้ใดมาภาวนาเห็นอัตภาพร่างกายเป็นของไม่ใช่ตัวตนไม่ควรยึดควรถืออย่างนี้แล้วแต่ว่าอินทรีย์ก็ยังอ่อนอยู่ไม่สามารถจะปรงวางขันห้านี้ได้โดยเด็ดขาดไปได้อย่างนี้ก็อาศัยขันหานี้แหละสั่งสมบุญกุศลเข้าไปไม่ไม่ไม่ใช้ขันหานี้ไปทําบาปต่อไปแบบนี้ ใช่มันแต่ทำบุญกุศลทำประโยชน์ตนและผู้อื่นเท่านั้นเช่นนี้แล้วบุญกุศลมันก็เจริญงอกงามขึ้นไปเรื่อยๆนี่อานิสงส์แห่งการภาวนาเห็นอัตภาพร่างกายนี้ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนาัตตานี่สรุปลงไปแล้วเรียกว่าทำให้คนเรานั้นละบาปได้อย่างต่ำนะนี่นะละบาปได้ทำให้ ทำบุญกุศลให้เกิดให้มีขึ้นในตนยิ่งยิ่งขึ้นไปได้อย่างสูงก็ทำให้ได้บรรลุมรรคธรรมวิเศษขั้นใดขั้นหนึ่งหรือว่าบรรลุมรรคถึงอรหัตตะผลละอาสวะกิเลสได้โดยสิ้นเชิงเพราะการละอุปท า, านความยึดมั่นถือมั่นในขันหานี่ได้โดยเด็ดขาดแล้วกิเลสก็หมดสิ้นไปตามกันเลย ถ้าผู้ใดยังยึดถือขันห้านี้ไว้แม้น้อยหนึ่งกิเลสมันก็มีน้อยหนึ่งเท่ากันนั่นแหละยึดขันห้านี้ไว้มากเท่าไดกิเลสมันก็มีมากอยู่เท่านั้นมันเป็นอย่างนี้เรื่องของเรื่องนะอืมเพราะฉะนั้นคนเรานี่นะจึงว่าเมื่อได้ฟังคําสอนของพระติเจ้าแล้วให้พึ่งพากันพี่น่าเห็นโทษของบาปกรรมนี้ให้มากๆ อออันนี้สาคัญทีเดียวเลยแต่คนส่วนมากเนะี่ยมันไม่ค่อยเห็นโทษแห่งบาปกรรมนะเพราะว่าบาปกรรมที่บุคคลกระทาลงไปเนี่ยมันไม่มันไม่ให้ผลในปัจจุบันนี้ทําไปแล้วก็เลี้ยงไปอย่างนี้นะเอาอยุงมากัดตัวหนึ่งตบเปี๊ยะลงไปแล้วก็มึงมากินกูมึงต้องตายอย่างนี้แล้วก็เฉยไปเลยไม่เห็นว่า การตกยุงนั่นมันจะให้ผลปัจจุบันอบาปมันจะตามสนองอปัจจุบันอย่างนั้นอย่างนี้นี่ไม่มีนี่แหละมันทําให้คนเราย่ามใจอออะต้องตบยุงบ่อยๆเลยวันนี้เพราะตบไปแล้วมันไม่ ม, ไ ม, มันไม่ให้ผลเป็นทุกเดือดร้อนอะไรในปัจจุบันนี้นี่ยกตัวยอย่างให้ฟังแม่